ทรงประชุมสงฆ์บัญญัติสิกขาบทลำดับนั้นพระผู้มีพระภาครับสั่งให้ประชุมสงฆ์เพราะเรื่องนี้เป็นต้นเหตุทรงสอบถามพวกภิกษุชาพคีว่าภิกษุทั้งหลายทราบว่าพวกเธอไปอยุแย่พวกภิกษุผู้บาดหมางกันทะเลาะกันวิวาทกันคือฟังเรื่องข้างนี้แล้วไปบอกข้างโน้นเพื่อทำลายข้างนี้ฟังเรื่องข้างโน้นแล้วมาบอกข้างนี้เพื่อทาลายข้างโน้น